วันนี้ก็ขอพูดตาแรงเมื่อคืนนี้คิอว่าจะพูดสัสิบนาทีไหวไม่ไหวพอดีสมเด็จโอทุมมาจะบอลองยาวสิบนทีแต่จะพูดอะไร้างอย่างเปล่าในเรื่องเพราะว่ามันพุ่งอยากพูดได้แต่สำหรับวันนี้ก็มาฐานก็ขอแนะนำพื้นฐานต้น ตน้นจริงๆเรื gospel, ่องการเจริญปฏิบัติความดีในด้านสมาธิวัศนายาเนี่ยนอุทุมเบรกาสูรพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอันดับแรกจริงๆให้ทรงพรมีหานสีความจริงภรมิหานสีนี่เป็นเรื่องสำคัญมากก็ได้จะมีทางการบริจาคก็ดี จะมีศีลได้ก็ดีจะมีสมาธิก็ดีจะมีปัญญาก็ดีอาศัยพุมิฐานสี่เป็นพื้นฐานถ้าขาดพุมิฐานสีอย่างเดียวทั้งหมดมีไม่ได้มีพมทธิฐานสี่มีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งไม่ขาความรักสองคุณาความโศกสาร สามมุตุตาจิตอ่อนโยนไม่ชาดิศยาใครถึงคนอื่นได้ดีรอยยินดีด้วยสี่อุเบกขาวางเฉยถ้าบุคคลใดเพี้องคร้ำมีทุกเราไม่ซ้ำเติมเท่ากาจะช่วยไม่มีก็เฉยไว้ก่อนเท่ากาช่วยไม่ีช่วยมีใส่ก็ใช้เมื่อตาคนลาเขาแทน รวมความว่าการยระงความดีในพุทธศาสนาหัวใจจริงๆอยู่ที่คทมิหันสีอันนี้พระพุทเจ้าตรงจัดวันอุมเมบทการสูรรตรในพระไตรปิฎกภาษาไทยเรื่องที่ชื่อเเป็นหลักสูต ร, รของวิชาสามแต่ความจริงพทิหานสีนี้เรื่องต้นเป็นหลักสูตรทุกหมด เท้าสุกับวัชโกติวิโชชาเป็นโยบิชมิตาปรตูเมือนกันหมดขึ้นตนนะ้นนี่เป็นจุด ข, ขึ้นตน้นแล้วต่อไปก็ส่งแนะนำให้ประพฤติสีนี้ครบถ้วนแล้วก็ตันนี้ก็มาว่ากันใหม่สำหรับภูมิหารสีนี้ความเพียงบรรดาท่านพุทธมริษัททุกคนก็มีอยู่แล้ว แค่ว่าบางเวลาก็ครบสี่บางเวลาก็เหลือสามบางเวลาก็เหลือสองบางเวลาก็เหลือหนึ่งก็หลับเหลอไม่เหลือเลยใช่ไหมไม่แน่บางคนหลับก็มีครบควนหลับจะไปดาาใครก็ได้เห็นไหม แต่ก่อนจะหลับก tamam de e, ็มีสต e ิสม่ทันยักถ้าทรงตัวได้ดีมันจะอะไรนะกระรองความว่าภูมิหัรสีเราต้องพยายามให้ชนะศัตรูภูมิหัรสีแต่ว่าครา้นี้ว่ทุกคนก็จงอย่าคิดว่าเราจะชนะได้โดยง่ายให้อาชนะเฉพาะเวลา ที่พ<ม>ระพุทธ้จากรงตรัสใกฎคุณบริการสูตรต้องว่าให้ทุกคนแผ่เมตตาไปในทิศทั้งสีนะ่ในจั ก, กรวาลทั้งหมดคือความรักที่ว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกจะไม่เป็นศัตรูกับใครระการที่สองเราจะมีความสงสาร าศาสนาจะทรงครองคณสัณสตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตา่างกำลังโดยการที่สามเาจะมีชาดเสียไขย่จะมีจิจอ่อนโยนเมื่อคนใดได้ดีก็ยินดีด้วยโดยการที่สีแค่เพียงพร้อเราจะไม่ซ้ำเติมจะวางเฉยพร้อมจ่ช่วยเหลือภายหลังมีโอกาส ถ้าบรรดาเจ้พผู้บริสัทธ์ทำใจอย่างนี้ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นเช้ามืด <c oughs> แต่เช้านะ่บางคนก็ไม่มืดหรือว่าไงบางคนก็มืดประมาณเก้าโมงไ <c> ด <oughs> ้ไหมบางคนก็มืดประมาณสิบโมง <c oughs> มันก็มกันแน่ที่นั่งๆๆนั่งเนี่ย ตาบัละลอปัลอเนี่ยหลายคนเนี่ยเปิดเป็นเพาะตื่นใหม่ๆมมันพักจากการหายเหนื่อยเพราะว่าตอนหัวค่ำหรือตอนดึกอรบเปลียนอนนอนตื่นใหม่ๆช่เพราว่ต้องลุกขึ้นมาเวลาเป็นยังไม่กระชั้นก็ น, นึกในใจที่รู้ว่าวันนี้ทั้งวัน เราจะเป็นมิตรที่ดีของคนในสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกรับใครเราจะเป็นที่รักของคนในสัตว์ทั้งโลกทั้งหมดในเดืนกาเนี้ยในรการที่สองเราจะมีความสงสารศาสนาการสงเคราะห์คนในสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขในบริการที่สาม เราจะไม่ช้าอยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีคอยยินดีด้วยในการที่สี่ใจวางเคยไม่ซ้ำเติมเอืน่อคนอื่นมีทุกข์ถ้ากาสมีจะช่วยได้แลจะช่วยตั้งใจว่าอย่างนี้ทุกทุกเช้าที่เราเตืน่นทำอารมณ์ให้มันชิน ยัใกล้จงจะ่คิดว่าเราอาจจะชนะตลอดวนันก็ไม่แน่ต่อมาตอนสายอาจจะเพื่องครั้มพลดต้องไปบ้างข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าใช้กำลังใจแบบนี้เป็นปกติไม่ช้าอารมณ์ใจใจะชินแต่าอารมณ์ใชอารมณ์ใจชินในมีหางสีนี่ คือมันทรงตัวนจนชินถ่าถือว่าความโกรธยังมีไหมทรงตัวมีอัีสิอบอกแล้วก็ต้องตอบว่าถ้าเรายังไม่เป็นพระอนาคามีเราก็ต้องมีความโกรธแต่ว่ากําลังแห่งความรักหรือความารักษามันแรงกว่าความโกรธเกิดขึ้นมันก็ดับเร็วเพราะความรักมีอยู่ความารักษาไมีอยู่ ถ้ายังไม่เป็นอนาคามี น, นี่ต้องโกรธแน่ถ้าถามว่าอารมณ์อิจฉาหรือศีลจะมีไหมก็ต้องตอบว่าเสียงอารมณ์ไม่พอใจอาจจมีแต่อารมณ์อิจฉาหรือศีลนี่มันไม่แน่เพราะเรายังไม่เคยเป็นอนาคามีไม่เป็นอนาคามไม่มีความไม่พอใจต้องมี แต่ว่าอย่างข้าอิจฉาสิยาไม่ควรเรื่องความไม่พอใจต่ออิจฉาเนี่ยควได้กันอิจฉานิสยานี่เขาได้ดีคนไม่ไหวหาทาง แ, ลงแกล้งหาทางทําลายแต่าการไม่พอใจเรี่องทุกข์็ตั้งอารมณ์นี่มันเป็นเรื่องปฏิฆะคือความไม่พอใจแล้วทุกใจที่ไม่ติดใจคนได้กัน ความว่าต้องค่อยชดเชนะอาชนะทีนันหน่อยอันดับแรกมีเมตตาความรักรับไปรับมาบาทีใครไม่ทำไม่ชอบใจเราก็เสเ่งป็นของธรรมดาต้องมีแต่ในเมื่อทําบ่อยๆอารมณ์มันชินวันหนึ่งถ้าเราสา ม, มารถทรงบริหารสีได้จริงๆ เอากันอย่างมากที่สุดหนึ่งชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาตื่นมันตื่ น, นอนใหม่ๆทรงกําลังใจได้หนึ่งชั่วโมงต้องถือว่าเจ๋งมากถ้าทรงกําลังใจได้ยอย่างนี้หนึ่งชั่วโมงจะถามว่าตอนเชา้ายังไม่มีใครกวนใจก็เพราะยังไม่ ม, ม, ม, ม, มีใครกวใจเราจะส่งให้ได้ แในเมื่อยังม่มีใครควนใจเราสามารถโจนได้ต่อไปอารมณ์ันชิงในเมื่อมีใครควนใจเกิดขึ้นอารมณ์สะดุดมันก็มีน้อยความไม่พอใจเกิดขึ้นได้แต่ว่าการทำก็หายเร็วต่อไปถ้ามีความอารมณ์กชิงเกิดขึ้นจนเป็นชานแล้วาคาว่าชันนี้เป็นชานโลภีนี่มดาแต่พุทธมรรค ภูมิหานสีน่นป็ันชาญโลกีคือไม่จะ่ลีวจะถามว่าภาวนามันยังไงก็ต้องตอบว่าภูมิหานสีนี้ไม่มีคำภาวนามีแต่ ก, การตั้งใจและใช้ปัญญาเฉยๆคือจิตคิดว่าเราจะเป็นมิตทีดีของคนณสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่ภาวนา เราจะสงสาร เ, เกิียดกลัคนสัตว์ทั้งหมดในโลกก็มีความสุกต่างกำลังเราจะไม่ไม่ชาร์ดิษยาใทรผู้อื่นได้ดีอราดีดีด้วยเราจะวางเฉยไม่เพียงพิมไม่ั้นเติมก็กรวมความว่าเป็นคนมีเอกมีผ น, นไม่ใช่เปนั่งภาวนาเม่ใจ่คุนนามอุตาเบขามันเบกบวยสละเ อ, อะไลอังเบนแบบไปไหม แมกขาเเดินไม่ไหวไปแม่เรียกฌานไปแปกขาทดลองความว่าไม่ใช่กับขาภาวานาะเป็นอารมณ์คิดถ้าถามว่าเป็นอารมณ์คิดจะเป็นฌานได้ยังไงก็ต้องขอพูดเป็นภาษาไทยคำว่าชานก็คืออารมณ์ชิดถ้าไปแปลเป็นภาษาบาลีมันก็ยุ่ พภาษาบาีทานนางเรื่องการเพ่งที่แบบเนี่ยเมื่อไงชนเข้าตากอดไปหลายคูนแล้วบอกไปจับภาพพระพุทธรูปนั่งเพ่งบนเพ่งชนันตาไหลนี่เมื่อไงชนไม่เพ่งเข้าตาตาแตกตายไปนั่นเขาให้จำภาพลืมตาดูภาพตาแล้วกลักตาไม่รึงภาพนะจะไปนั่งเพ่งภาพพระชนันตาไหล ก็ว่าเห็นกรไม่ได้ว่าเห็นดูใช่ไหมกรูความตรงแค่ว่าคำว่าชานคืออารมณ์ชินชินต่ออรม์ที่มีความรักเห็นคนก็ดีเห็นใส่ก็ดีไม่เคยคิดว่าจะเปลียใครแต่มันก็ต้องเปลียดนะแต่ใครก็ทำไม่ชอบใจก็ทำหนีบังของธรรมดาก็ยังไม่ใช่นาคามี เห็นคนละสายเกิดความสงสารไม่จำกัด น, น, นี่ในเห็นใครได้ดีก็ยินดีด้วยเขาเมื่อเข า, เขามีทุกเราไปซ้ำเติมอารมณ์เมื่อเกิดความชินอารมณ์ชินแบบนี้เกิดขึ้นในี่ย้อนถามว่าความโกรธมีไม่ล่ะก็ต้องตอบว่ามีแต่มันไม่รุนแรงถ้าอารมณ์ชินอย่างนี้เกิดขึ้นตายแล้วไปไหน เอาเฉพาะกร ม, มีหานสีสตายและเป็นพรมแน่นอนกร ม, มีหานนี่ก็แปลว่าที่อยู่ของพรหมทีม่หาระเนี่ยแปลว่าที่อยู่คนที่จะเป็นตรหมได้ต้องทรงคุณธรรมความดีสี่ประการคือเมตตาความมั่นักคุณาความสงสารมุตตตามีจิตอ่อนโยนไม่ชา้ทาที่แย่ใครให้ใครได้ดีเราจะดีโด ย, โด ย, โดย ผู้มีขาวบางเฉยฉะนั้นท่านจึงเขียนภาพโรมเป็นสีหน้าแล้วพวกเราเคยมองโอมสีหน้าเลยทรงสารโอมนอนไม่ได้เจ้าหมูกมีแปดรูถ้า น, นอยก็เสียหรือต้องรูออแฝดจนห้ใจนะ เขาเลยเห็นภาพลมเปสีหน้าะสดงมีคุณทรรสิ่อย่างจริงจึงแล้วลมนะ ม, นมีสองหน้าในเมื่อถ้าเรามี็มีหานสี่ยืนตัวอย่าลืมนะศูนย์กลางในกาปรปฏิบัติพุทธศาสนาถ้าจิตทรง็มีหานสี่ทรงตัวทานบา ร, รมีก็เต็มทานบา ร, รมีเต็มแน่นอนข้อแรกหนึ่งความรัก เราจะให้ใครได้เพราะเรารักเราเกลียดเราไม่ให้ใช่ไหุณถ้าคนที่เราไม่เคยรักสม่เคยรู้จักมาก่อนคนก็ดีใส่ก็ดีเราจะให้ได้ต้องความสงสารใช่ไหมฉะนั้นเนมื่อมีความีอันศีลทานบารมีเต็มแน่ถ้ายังไม่ได้ให้จิตคิดจะให้คือกรุามีอยู่แล้ว คิดจะส่งข้อมีแรกที่เรียกว่าจารคานุสติสามฐานอันนี้มีาการส่งตัวเลยถ้ามีจารคานุสติกรมฐานมาจำใจให้กำลังใจซ้อมจะให้ก็ถือว่าตัดโลภะความโลภเรื่องขานเป็นจุดที่หนึ่งที่เราจะไปนิพพานจุดใหญ่ด้วยคือจุดเล็กการจะไปนิพพานจริงมีสามจุดไม่งใหญ่มากไป ที่เรียนกันมากเกินไปนะแบบไม่ไหวจะไปรื้อขันไม่ได้แบบมากไปใช้มือคนแก่ไม่มีแรงในแบกนน้อยน่อยแล้วริการที่สองถ้ามีกวา ม, มอันยสีสินก็บริสุทธิ์ย่าวสินไปขาดตรงไหนกันเฉพาะอย่ า, างยิ่งสินลรวพูดกันถึงสิ น, น, สนห้า ถ้าชินห้าไปพื้นฐันใหญ่สิ้จะขาดได้ตัวไหนใ น, นเมื่อหนึ่งเมตตาความรักเรามีอยู่ส อ, สองสงสารกุณาความสงสารเรามีอยู่ในเมื่อเรามีความรักเรามีความสงสารเราฆ่าศักด์ก็ไม่ได้ใช่ไหมขโมลของก็ไม่ได้รักสงสาร ไปนอกใจสามีปัญญาก็ทำไม่ได้รักโสงสารกันก็หกมดให้ก็ไม่ได้เพราความรักความสงสารเล่าก็กินไม่ลงสงสารคนทั้งบ้านจะมีข้าวจะกินแล่แถมสงสารตัวเราด้วยเสียต่างเปล่าเห็นไหมตรงความว่ามีตัวมีฐานสี่ตัใจใหญ่ในเมื่อมีทุกิหฐานสี่สิงก็ไหวสดุด แในเมื่อสินไว้สุดอรมใจก็เยืยอกเย็นตอนนี้ทุนในหันสินะทำให้ใจเย็ยนอยู่แล้วความรักอารมไม่เร่าร้อนร้อนไหมถ้าตูดร้อนใช่ไหมความรักทําห้ใจิตใจเยือกเยน็นความสงสารทำให้ใจิตใจเยือกเยน็นอารมที่ยินดีไม่ใช่ยินร้าย อารมณ์ที่ยินดีก็ทำให้จิตใจเยื่เยืนอารมณ์ที่วางเฉยไม่หวังจะซร้าเติมเขาเขาก็จิตใจเยื่เยินในเมื่อจิตใจยากเยื่อเยินขึ้นมาแล้วผมมีอันสี่เป็นผมมีอันสียังเป็นปัจจัยเกิดสมาติสมาธิจะส่งตัวเนีน่ยนะคอยืนยันเพราะนี่ การปฏิบัติเนี่ยจะมาซื้อสายนี้เป็นหลักกันนะตั้งตนลมต้นเริ่มปฏิบัติกรรมานนะั้นซื้อสูตรนี้เป็นหลักจิตใจก็มีความเยือกเย็นเมื่อจิตใจยย่งอารมณ์กปสมาธิสมาธิระเบิดตั้งใจเพื่ออารมณ์เป็นสุขเยือกเย็นพอรเริ่มติดเข้าถึงปีติดพอติดเข้าถึงปีติความอิ่มใจเมืนกเกิดอารมณ์ก็เยือ มันมีแต่ความชุ่มชื่นอยากจะสร้าแต่ความดีการปฏิบัติใได้สมาธิไมหอิงไม่เบื่อในเมื่อจิตเป็นสุขอารมณ์เยือเกเย็นใจเอจงคตอุปจารสมาธิเกิดขึ้น ท, ทั้งทั้งที่เราไม่ฝุดวิชาสามความเป็นทิพย์ของจิตก็เริ่มเกิดแล้วอาจจะใช้ไม่ถูกกำลังไม่พอกำลังและพอใช้ไม่เป็น แในเมื่อเราใช้ไม่เป็นถ้าสิ่งที่มาให้เห็นเราเห็นได้เทวดามาต้องการเทวดาให้เห็นเราเห็นได้ธมมาเราเห็นได้พิมายก็เทวดาแล้วธมเราเห็นได้ถ้าจะต้องการเห็นนรกเราเป็นเห็นได้ถ้ากิตสะอาดต้องการสิ่งนี้ความธาันเราคนเห็นได้มี่ถ้ากําลังใจเขาไปอ่านสี่ทงตัวไปสวัทดิ์ส่งตัวนิตเปจิต ตั้งจะถึงอุปจาระสมาธิคือปีติในเมื่อกำลังใจของพมีหานสีทำไมถึงปีติความเป็คิดเกิดขึ้นมันเป็นคิดจริงๆแต่ว่าเราใช้ไม่เป็นก็ลเลยเห็นใครไม่ได้อยากจะเห็นทวจ า, านั่งตรงไหนทุมนั่งตรงไหนที่มาเนสะ มันเห็นไม่ได้แต่ว่าเวลาท่านแสดงเราเห็นได้นี่เราใช้ไม่เป็นถ้าใช้เป็นหน่อยเดียวถ้ากลับอารมณ์นิดเดียวฝึกดมิชาสาวก็ไม่ต้องทาําอะไรมากให้เวลาสองนาทีของเราเสร็จรู้จักใช้ทันเองมันมีแล้วใช่ไหมเหมือนกับเงินที่มีในะกระเป๋าเปิดกระเป๋าไม่เป็นอันนี้ในเมื่อจิตเข้าถึงปีติดความอินใจมันก็เกิดขึ้น ความอินใจเกิดขึ้นอารมณ์ทรงตัวจิตก็เป็นฌานสมาบัติไอว่าคําว่าฌานสมาบัติฌานนั่งประกันติ่งเพื่ออารมณ์ชินสมาบัติเวัาปฏิ่งไปลว่าเข้าถึงเข้าถึงอารมณ์ชินในสมัยความต้องการจิตทรงสมาธิเมืาไรได้เหมือนนั้นเวลาเราเราคลาสมาธิจิตก็เฟื่องฟูไปตั้งของธรรมาดา พอจิตเข้าถึงปีติเข้าถึงฌ า, านเอาแท่ปีติก็พอถ้าจิตเข้าถึงปีติเมื่อไรจิตก็เข้าถึงฌานเหมือนนั้นมันเข้าพร้อมๆกันนะั่นแหละตอนนั้นอารมณ์ใจสงบจากมิวรปัญญาก็เกิดเองปัญญานี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าไปหาเจตธรรราเนี่ยไม่ได้ปัญญาจริงมันเป็นสัญญา ปัญญาความรู้สึกมันจะเกิดเองว่าความเกิดเป็นคนเนี่ยมันเต็มบริวามทุกมันขึ้นก็เองเห็นทุกชัดตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายเราจะไม่พบกับความสุขจริงเลยในอย่างเนีน่เขาพูดเดยอะไปตัวทุกเนี่ยถึงขุดเต็มที่ตลอดฉันต้องนั่งขุดสามเดือนตั้งแต่สี่ทุม่ม เป็นตีสองแล้วพระเจ้าธรรมสอนอีกหนึเดือนพระเจ้าธรสอนชันตั้งสี่พุทธตีหนะึ่งเดือนเป็นตลพทธภูตท่านสอนทุกคาเดียวยังไม่จบเลยสอนยังไม่จบเนละแท่ทุกคาเดียวเท่าขยายความพูดแต่ชาแล้วต่อไปปัญญายก็เกิด ว่าทุกมาจากไหนให้ใช้ตาดํารามนก็ยุ่งตาดำราทุกามาจากตันหาเราก็ไม่ต้องที่ทํำมันยุ่ตานำราถ้าปัญญาไม่เกิดก็ไม่ต้งองเกาะําราเกาะตาความเป็นจทุกมาจากความเกิดคือเพราะเรามาเกิดมันจึงทุกถ้าเราไม่เกิดเราจะทำยังไง ก็หาทางปฏิพันธ์การปฏิพันธ์ไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากแต่ก็ไม่ยากสําหรับคนต้องการปฏิพันธ์มันยังไงกันแน่หลวฉันกหกคนณอีตัวเองมัการปฏิพันธ์เนี้ยไม่ใช่ของง่ายสําสหรับคนที่มีกําลังใจไม่ถึงการปฏิพันธ์ก็ไม่ใช่ของยากสําหรับคนที่เต็มใจจะไป ในกบหมายความการบริการ ม, มีอะไรบ้างหนึ่งจะคารนวติกรรมฐ า, านอีกคิดวว่าเราจะส่งเคราะห์คนรับสัให้มีความสุขส่างกำลังเรายังไม่ได้ให้โอกาสที่จะให้ไม่มีโอกาสมีแต่ไม่มีขอจะให้ แตกใจเพราะอยากให้ใตัดโลภะ ค, ความโลกขาดเร็ดไปเลยกระเด็นไปแล้วหนึ่งตัวไม่เหลือในการที่สองติตรงพอมีอ่านสี่งไม่แค่หลังหลวงใบปั้งก็เป็นของธรรมดาก็ถือว่าเราตัดกำลังใหญ่อบโทสารขับไปที่เหลือปัางเสียดังเลยน้อยสำรองน้อยปีง่าย เวลาใกล้จะหมด น, นภาพปฏีเดชขาดแน่ใช่หมแล้วก็ะัวที่สา ม, มิปสนายญาณตัวปัญญาตัดโมหะความหลงในเมื่อเราตัดโลภะความโลภได้ทำลายโทสะจนเสียมันไม่ตายหมดกระชั่งเหนือหางหน่อยโมหกความหลงไม่อยู่ไปได้ไปโมหะความหลงเนี่ย มันเป็นตัวก่อให้เกิดโลภะความโลภ ก, ก่อเกิดโทสะความโกรธถ้าเราทำลายโลภะความโลภได้ก็ถือว่าทำลายโมหะความ โ, โมหะความหลงด้วยสามารถตีโทสะให้มีตำลังเพียงลงก็ถือว่าตีโมหะเพียงลงเป็นมากเพราตัวโมหะไม่ต้องคำนึงถึวแล้วก็ตีจริงๆเป็แค่สองตัว ตอนนั้นไปในฐานนะจะมีกําลังใจทรงพเมหาสีมันเป็นกำลังกำลังใหญ่อยู่แล้วเก้าหัวกลับจับสังโยษ์สามอันนี้เป็นของไม่ยากมีพื้นฐานใหญ่จริงๆเป็นของไม่ยากอารมใจเยือกเย็นก็มีความรู้สึกต่างๆจริงว่าชีวิตที่มันต้องตายยัง ไ, ไงๆก็ต้องตายในยเมื่อตายแล้วก็ไม่ขออยู่เป็นมนุษย์ต่อไปอีก เราไม่ต้องการเป็นวดายและมเราต้องการกานิพพานขั้นแรกแต่าัานที่สองไมยังไม่ตายเพื่ความแน่นอนไม่ต้องการนันกษษษิจทัดตรงอาตาอมายภูมิยึดพพุทธเจ้ า, จา ก, ก็ทําพราะอรยสง์เป็นที่พึ่งให้มัข่ขคงไม่สงสัยในความดีของท่าน รายการในสามสร้างกำแพงกั้นระบายภูมิให้แน่นอนคือทรงสินไหวบริสุทธิ์รายการในสีจับอารมณ์พนิพัยธคือว่าหันตรงไหนคือตัดไอวิชาเร่ยอยูาลายคืนไปใช่ไหมไม่มีใครก็ทำกันแบบนั้น พอจับมุมสามมุมใดๆแล้วตามหลักปฏิบัติสบาุคคลใดสามารถละสังโยชน์สามได้ในที่นั่งใดให้ทําจิตถึงอราหันต์ในที่นั่งนั้นไหมก็ยังไม่ลุกไงถึงอราหันต์ไปเลย <c oughs> การทํำถึงอราหันต์ก็ทำยังไงก็ทํานิดเดียวให้กําลังใจตัดอวิชชาเลยมันจะมานั่งไหลเบียะนั่งไหเบียะงโง่ ใชเวลามากตีวิี่ตายก่อนตัดวิชาก็าตัดง่ายๆอย่าไปตัดยากๆทางไมงทางไแครับวิชาแปลว่าความโลภจะแปลวไม่รู้มันได้ในสุทาจานโตตั้นแปลว่ารู้ไม่ครบมีรอสีไปถามท่านว่า โ, โต อริชาครับเราไม่รู้ใช่ไหมต้นเด็กศุภาการย์โตบอกไอ้คนก็ดีใส่ตัวดีได้เกิดมาไดโลกมันไม่รู้ไม่แง่ฝักไม่รู้กินรู้ที่รู้พ่อรู้แม่คนก็รู้กินรู้ที่รู้พ่อแม่มันยังรู้อยูัอริชาต้องแปารู้ไม่ทรบถูกไว้แม่เพรท่านถูกที่เราแปลีิดแง่ๆโลกจริงนะใช่ อริชาแปลว่ารู้ไม่ครบคือไม่เข้าใจต่า ง, งความจริงมีความหลงในความเป็นมนุษย์หลงในความเป็นมวันดาหลงในความเป็นตรงในการตัดอริชาต้สงตัดตามที่พเจ้าทกงรัท่านแนะนำเมื่อออริชาให้สับสองสับแยกออกมาเป็นชั้นท่ากับราคะชั้นท่าเกความพอใจ ใรใช้อารมณ์จริงๆด้วยปัญญานะตอนใช้หมาเวลานั้นปัญญามันสายเสีย แ, แน่แล้วสายแน่ผมขอยืนยันนะก็ทำมาแล้วทั้งมดนี้เป็นมดกรรมฐานนี่ควายืนยู่ยืนทรงตัวมาตั้งแต่ต้นนี่เป็นหลักสูนย์วสามาแต่ละกศูวิสยังทำระเบียปัญญาได้พระเด็นชาสามเป็นปัญญ า, ข, า, า, 3, อญญาของบัญญ พอปิดมันปิดใจมันก็ทรงตัวเมอปิดใจในการทรงตัวแล้วก็คิดต่อไปว่าไอ้ฉันทักความปลอยใจในความเป็นมนุษย์มันจะควรมีไหมปัญญาเราเห็นว่าไม่คนมีต่อไปก็มันทุกข์เป็นเทวดาหรือมีความสุขจริงแต่สุขไม่นานกต่มัทุกข์ใหม่แล้วก็ยกเลิกไปเป็นเทวดาก็ดีเป็นพอมดีเป็นมนุษย์มันดีก็เลิกกันไป ราคะเห็นว่าลรลบรรทุสวยโอ้โลบรรทุสวมต่งเยอะสวยเราออกไปเจอรถบรรกมองนูแลมันไม่ไหวเลยไปเจอบ้านคุเทวดาก็าหน่อยดีก็ไม่เน้ไม่อยากดูหวังใครพี่เห็นไหมท่านสวยเป็นอย่างน้อ ย, อ ท, ย, ย, ยที่สุดแต่ี้มี ม, มันเงินบ้างมันทอบ้างมันแก้วบ้าง กระผมโลกเราก็ไม่อยากอยู่สวยไม่สวยจพีงแลวแต่ว่าไม่มีการทรงตัวสวู้นิคพานไม่ได้เวลานั้นจิตใจก็จับนิพพามมนในอารมณ์แต่ตั้งใจทรงอารมณ์ม่ได้สังขารุตเปิขา ย, ยานตัวนี้ต้องขันมากนี่ีิทา ย, ยายาไม่ตรงอะไรปักไปสังขาเปิดขา ย, ยา เ, ยเพื่อเรารอรรถี่วิทา ย, ยาใ น, นพระองค์นาคามี ทั้งข้ากข้ายานเป็นยังไงวางเชื้อในร่างกายร่างกายธรรมดาของร่างกายมันต้องแก่ทุกวันถือว่าเรื่องธรรมดาของมันร่างกายของคนในรรมสัตว์ทั้งหมดมันต้องป่วยแน่นอนมันจะป่วยเราถือว่าเป็นเรื่องของมันในการ ร, รักษาพยาบาลเป็นการบรรเทาอุจจาระต้องทำํำพระเจ้าอย่างทําถ้ามันไม่หายตายมาไนนามาด้หรือปัญหาไมาได้ ในการพักนาจะครักขล้องชอบใจเกิดขึ้นเื่องถือต้องเตรียมใจไว้เบอร์ของธรรมดาความจะตายก็มาถึงเนีงถือเรื่องธรรมดาที่นี่ถือว่าเป็นสังขารเปลืตาใหญ่คือเมีอรมวางสวยร่างกายจะแก่ก็ชินแก่ยันราบแล้วว่าจะแก่ร่างกายป่วยก็ทราบว่ามันจะป่วยร่างกายที่ต้องพัฒนาจะคล้อรักของชอบใจเราสราอยู่แล้วร่างกายไม่จะตายก็ดี ต้เมื่อไรเราก็หมดทุกรประเพณีขันธ์แล้วก็วางคื น, นร่างกายเสียอย่างนี้ถือว่าบรารดาโรบก็่หันเพียงเท่านี้บรรดาแทนพุทธวยสัตปุ่ของบรรดาแทนพุทิวยสัชทุกคนการที่จะเดินธรรมะในพุทธศาสนาให้ถือพร ม, มีหางสีเป็นหลักใยของท่านตัวพระเจ้าตัดตรงว่านวคุมบการสอนใส่ไว้ชัดมาก เดยพราะยัางเร่งยิ่งจากตุลิชาสามท่านบอกไยว่าถ้าปฏิบัติได้คล่องตัวหลักสูตรนี้ก็มีพมิหารสี่ขึ้นต้นแล้วก็มีศิลต่อไปโซนสมาธิทำพิจิุญาณให้เกิดแล้วก็ต่อไปทำบุพปเวปนิวาสามอยา่ยางจะเลื่อนขานได้ให้เกิดเียว่าสองในทิชาสาม ถ้ามีการเข้าตัวพระพุทธเจ้าทรงยาง ก, ก่อนว่าถ้ามีบา ร, รมีแก่กล้าจะเป็นพระหันภายในเจ็ดวันถ้ามีบา ร, รมีอย่างกล่าวบา ร, รมีแปลกําลังใจมีบา ร, รมีอย่างกลางจะเป็นพระอหันภายในเจ็ดเดือนถ้ามีบา ร, รมีอ่อนที่สดุดจะเป็นพระหันภายในเจ็ดปี คนที่ทำหลักวิชาสามในสองอย่างนี้ถ้าเอาจริงๆไม่เป็นพระราหไม่มีแม้ความว่าวันนี้ขอแนะนำารรมเนียมมันก็นเลยเวลาที่ตอนนี้ไปขอตื่บรรดาจะพูดไว้จัดถาว่าท่านมาใหม่ถ้าไม่เคยปฏิบัติอย่างอื่นมาก่อนเวลาภาวนาใช้สัพพะพุทโธถ้าจิตใจตั้งใจนึกถึงพระพุธทรรรพธรูปหรือพุทธเจากก้าก็ได้ตั้งใจคอบ ให้ใจเข้าเนืวอของกุฏิท ใ, ใจออกในมทโธคําว่าท่าเคยปฏิบัติมาจากที่อื่นคล่องแนบแบบไหนยากเปลี่ยนเพราะคา อ, อนาจะมีผลเสมอกันถ้าคลึงเสี่งจิตใจจะยุ่งอารมจะไม่ทรงตัวจำหรับที่ท่านเคยปฏิบัติที่นี่คล่องแบบไหนทำแบบนั้นตอนนี้ไปก็มันดายาโกโยมทุกท่านให้ศีลแล้วก็สมาทา